ท่านฟังคะรายการของเรานะคะก็จะมีพระคุณเจ้าที่มาสนทนาธรรมกันอยู่เป็นประจำท่านได้มาจากจังหวัดอุดรธานีเลยนะคะวัดป่าดอนายโสก็คือพระอาจารย์ไบุญอภิปุลโนและขณะนี้ท่านพร้อมแล้วนะคะน้มสักการะาาท่า น, นค่ะจรค่ะจนจนรวยรที่เขาบอกว่าความไม่ชอบทำความเดอมล้นะําะเนาะตรงนี้อาจจะมามีแง่มุมของพระทุกเจ้าอยู่มาสองสาประเด็นค่ะ <c oughs> ประเด็นแรกเนี่ยคือเรื่องของอธรรมะที่ทําให้คนเป็นคนรวยก่อน <Okay. S 1> อคือถ้าเราบอกว่าพระุทธเจ้าบอกว่าความขยันเนี่ยเป็นอาหารของโภคทรัพย์โภคทรัพย์เนี่ยมีความขี้เกียจเป็นมลทินความขี้เกียจเป็นมลทินของทรัพย์ที่เรามีอยู่ความขยันเนี่ยเป็นอาหารแห่งโภคทรัพย์แทนถ้าใครบอกว่าผมขยันฉันขยันแต่ว่ายังไม่รวยสัที นะหรือว่าถ้าใครขยันแล้วรวยขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปตามธรรมคะ่ะทีนี้พระพุทธเจ้าประการที่2คือพระพุทธเจ้าอธิบายเหตุและก็ผลแห่งการที่ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะรวยขึ้นมาได้ก่อนพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราทํา4อย่างนี้แล้วเลิกทําอีก4อย่างนั้นความรวยเนี่ยการมีทรัพย์เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นที่หวังได้แน่นอนอย่างแรกก่อนก็คือว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเธอเนี่ย มีความเปลี่ยนเป็นเครื่องลุกขึ้นมีโพกซับที่รวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อทำอย่างเนี้ยมีจะมีโพกซัพย์อย่างที่สองโพกซับที่เธอได้มาแล้วเนี่ยจะต้องรักษาไว้ให้ดีอย่าให้พระราชามาเอาไปคืออย่าให้ถูกเก็บภาษีย้อนหลังจ่ายภาษีให้ถูกต้องอย่างที่สองอย่าให้มีไฟมาไหม้น้ำมาพัดพาไปนี่คือก็ต้องทำประกันไว้ด้วยอย่างที่สก็คือ ญาติหรือหรือลูกถ้าญาิที่ไม่พอใจเนี่ยมาเอาทรัพย์ไปปนปี้ก็ไม่ดีเพราะนเราก็ต้องเลี้ยงลูกให้ดีใช่ไหมอันนี้คือการรู้จักรักษาทรัพย์อย่างที่สองประการที่สามที่ทําให้ทรัพย์เนี่ยเพิ่มขึ้นได้คือการมีมิตรดีคือการมีเพื่อนดีมิตรดีใครก็ตามที่คนมีศรัทธาเป็นคนมีศีลเป็นคนมีจาคะคือการให้อย่างนี้นะก็ให้ครบเอาไว้ แล้วอย่างที่4เนี่ยคือการเลี้ยงชีวิตชอบการเลี้ยงชีวิตตามความสมควรใช่ไหมถ้ามีเงินมากรู้จักว่ากระแสงเงินของเราต้องเป็นบวกรายจ่ายของเราต้องน้อยกว่ารายรับรายรับอย่ารายรับเนี่ยให้ท่วมรายจ่ายอย่างนี้ค่ะ <Okay. S 1> อันนี้คือทางเข้าของทรัพย์4อย่างแล้วในขณะเดียวกันบุคคลคนนี้เนี่ยก็จะต้องปิดกั้นอีก4อย่างนี้คือความเป็นเป็นนักเลงผู้หญิง อันนี้อันที่หนึ่งที่ไม่ควรเป็นอันที่2คือนักเลงสุราจะเป็นทางออกของทรัพย์อันที่3คือเป็นนักเลงการพนันและอันที่4มีเพื่อนมีเพื่อนชั่วมีเพื่อนไม่ดีพระเจ้าบอกว่าถ้าเราเปิดทางน้ําเข้าสี่ทางปิดทางน้ําออกสี่ทางฝนตกต้องตามฤดูการแน่นอนเลยว่าแอ่งน้ําแอ่งเนี้ยน้ําจะต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเออฉันขยนันแต่ยังไม่รวยสัที เอาดูองค์ประกอบอื่นอื่นอีกตั้ง8ดอย่างอย่างอาตมามีเพื่อนหลายคนที่เขาค้าขายเก่งมากแต่ปรากฏถูกเก็บภาษีย้อนหลังหรือเรื่องที่ดินต่างๆ่างเนี่ยถูกเก็บภาษีย้อนหลังก็คือว่าไม่รู้จักรักษาทรัพย์ให้ดีตั้งแต่คือดูแลไม่ดีบางคนไม่ได้เจตนาถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นคือพระเจ้าเนี่ยตรัสไว้ตรงนี้ถามว่าใครเส้อคนใดคนหนึ่งเนี่ยทำสีอย่างนี้แล้วไม่ทำสี่อย่างนี้นะไม่ทำสีอย่างนั้นแล้วบอกยังไม่รวยนะอันนี้ไม่เป็นไปตามธรรม ถามสิว่าคนที่เขารวยขึ้นมาในปัจจุบันเนี่ยเขาทําอย่างนี้ไหมเขาไม่ได้ทําอย่างนั้นไหมใช่ไหมแล้วถ้าเขาทำเนี่ยแล้วเขารวยเนี่ยเขามีทรัพย์ขึ้นมาได้สมเหตุสมสผลแล้วค่ะ อ, อ, อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ความจริงถ้าอาจารย์ก็เคยพูดมาก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันอยากจะถามเพราะมีเพื่อนเพิ่งเคยคุยกันนะนะคะเขาก็บอกว่าเออเอ๊ะทำไมคนที่ขายเหล้าอย่างตอนนี้เราบอกว่านักเลงสุราเนี่ยเป็นทางรั่วของทรพัพย์ แต่ น, นีไม่ใช่คนเป็นนักเลงสุราเพียงแต่ว่าเป็นคนมีอาชีพในการที่ขายเหล้าซึ่งสินค้าประเภทเหล้าเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นอบายใช่ไเป็นทางไปอบายงั้นใช่ใช่เป็นเป็ น, ปนทำให้บุคคลเนี่ยตั้งอยู่ในความประมาทค่ะแล้วเหล้าเนี่ยยังเป็นาสารสสำคัญของศีลเบื้องต้นของคนคือหนึ่งในศีลห้าเน่เป็นศีลข้อที่ห้านะคะ คนก็บอกเอ๊ะทำไมพวกนี้ขายเหล้าแล้วรวยเอารวยเอามันไม่มีบาปมีกรรมเหรอในเมื่อคนดื่มก็มีปัญหาใช่ไหมคะที่อาจจะใช้ชีวิตโดยประมาทเนี่ยคนคนอาชีพอยู่34อย่างที่ว่าเป็นมิจฉ า, าชีว ะ, ะหนึ่งในนั้นก็คือการค้าขายยาพิษการค้าขายสุราเนี่ยเป็นมิจฉ า, าชีว ะ, ะแล้วก็การค้าขายมนุษย์การค้าขายอาวุธพวกนี้เป็นมิจฉ า, าชีวะก็ควรจะเลิกละซะ ท, ทีนี้ถ้าเขาทําอยู่แล้วเราก็เอ๊เขาจะเลยรุ่งเรืองดีบางคนก็เลบอกว่าเอ๊ศาสนานี่หลอกเราหรื อ, อเปล่าทีนี้ต้องดูอย่างนี้ว่ามาร์เนี่ยมี8ดอย่างใช่ไหมสมมติว่าเขาผิดอย่างหนึ่งคือมิจฉาชีวะแต่อย่างอื่นเนี่ยเขาดีเขาเป็นคนขยนันเขาเป็นคนพูดจาไม่โกหกนะเขาไม่ขโมยของใครเพราะฉะนั้นไอการกระทําอย่างนั้นเนี่ยเขาความขยันของเขา มีผลสิเพราะว่าพระรูจ่าบอกว่ า, วาคุณจะเป็นพระราชาคุณจะเป็นคนรวยคุณจะเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีเนี่ยก็เพราะการกระทําพระรูจ่าบอกว่ า, วาบุคคลจะเป็นกษัตริย์ก็เพราะกรรมจะเป็นขราบดีมหาศาลก็เพราะกรรมคือการกระทำใช่ไหม <c oughs> เพราะนถ้าเขาทําดีเนี่ยสมมติเขาทําดี7ส่วนไม่ดีหนึ่งส่วนส่วนที่เขาทําดีต้องให้ผลส่วนที่เขาทําไม่ดีก็ต้องให้ผล ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการให้ผลของความดีไม่ดีเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเหมือนเอาเกลือเนี่ยถ้าเร า, เาน้ําแก้วหนึ่งมาเอาเกลือใส่ลงไปสองช้อนชาน้ําแก้วนี้จะต้องเค็มแน่นอนแต่ถ้าเราเอาเกลือสองช้อนโต๊ะไปใส่ในแม่น้ําเจ้าพระยาความเค็มของเกลือในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยแทบจะไม่มีทั้งๆที่กรรมชนิดเดียวกันการการะทําชนิดเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยเราต้องวิเคราะห์โดยองค์ประกอบโดยรวม ใช่เพรา ะ, ะนพะพุทธเจ้าบอกว่าการพยากรใดๆโดยส่วนเดียวเนี่ยทำไม่ได้เพราะฉะนั้นความสามารถที่จะดูการพยากรณ์ทั้งหมดโดยองรวมเนี่ยพระพุทธเจ้าทำได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าลเลยบัญญัติสิ่งต่างๆที่เล่ามาให้ฟังเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสนใจว่าเออเขาทํำยังไงถึงจะรวยได้พระพุทธเจ้าบัญญัติไปแล้วเราก็ทําตามนั้นค <Okay. S 1> ่ะก็นคนอื่นก็จะรวยยังไงปล่อยเขาไปนะค ะ, ะหันมาดูตัวเองดีกว่าชว่าถ้ายังไม่รวยสักทีเอา8ดข้อ ที่ท<ต>่าบุญได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าทำสี่อย่างมีความเพียรรักษาทรัพย์ที่ได้มาแล้วให้ดีโดวยวิธีต่างๆแล้วก็มีมิตรที่ดีเลี้ยงชีวิตชอบชกับอย่าเป็นนักเลงผู้หญิงนักเลงสุรานักเลงการพนันคบเพื่อนชั่วอันนั้นไม่ควรทําค่ะคจริงจําไม่ยากเลยนะคะไม่ยากก็คืออันนี้เป็นความสุขที่คาราะผู้ใดผู้หนึ่งจะมีได้ในปัจจุบันค่ะทีนี้จากเรื่องจนกระจุกรวยกระจายนอกเหนือจาก ให้เห็นว่าพระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสถึงเหตุแห่งความรวยของคน<ช>ดังกล่าวนี้แล้วเนี่ยมุมอื่นหรอคะท่านมุมอื่นอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของความเหลื่อมล้ํำที่จะมามองออที่บอกว่าความเหลื่อมล้ําต่างๆในสังคมเนี่ยมันมีอยู่ใช่เราเห็นอยูออ่อย่างในอินเดียในสมัยก่อนอินเดียเป็นประเทศที่แม้ในขณะนี้เนี่ยนะเป็นประเทศที่มีบิลเลเนียคือคนที่มีทรัพย์สินเกิน 1,000 ล้านดอลลาร์ขึ้นไปนมากที่สุดในเอเชีย ในขณะเดียวกันประเทศที่มีจํานวนประชากรที่จนมากที่สุดในเอเชียก็อยู่ในอินเดียค่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอินเดียเป็นประเทศที่คนรวยที่รวยที่สุดก็อยู่ในอินเดียคนจนที่จนที่สุดก็อยู่ในอินเดียถามว่าความเหลื่มล้าของประเทศเขาเนี่ยยังมีมากยิ่งในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีศาสนาอยู่แล้วถึง62ศาสนามีความเชื่อที่แพร่หลายอยู่ในอินเดียเนี่ยถึง62ศาสนาพระทุกเจ้าตรัสรู้ธรรมขั้นสูง แล้วก็เห็นมาโอ้โหคนยังมีทุกข์กันอยู่พระพุทธองค์ก็ไม่ได้สนใจที่จะประกาศศาสนาที่63สนะิบสะเพราะพระพุทธองค์พูดอย่างนี้ว่าไม่ว่าจะความเห็นแบบไหนใน62ศาสนาเนี่ยก็ยังมีความทุกข์อยู่ดีมีเวทนาความทุกข์ทั้งหมดประชุมลงที่เวทนาเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้ความเหลื่อมล้ําในสังคมเนี่ยมันมีเวทนาเกิดขึ้นเวทนาคือความรู้สึกว่าเออชอบไม่ชอบเฉยๆเพราะฉะนั้นเรามาแก้ทุกตรงนี้ดีกว่า ถ้าสมมุติว่าเราสามารถแก้ความดับคือเวทนาได้เนี่ยนะให้เราเป็นผู้ที่นิ่งเฉยอยู่ได้หรือว่าพ้นจากเวทนาได้เนี่ยก็จะเรียกว่ามีความสูงในปัจจุบันทันทีเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องความเดือมล้ําก็จะลดลงไปลักษณะนี้อันนี้หมายถึงว่าถ้าเราแ้โดวยธรรมาวางใจให้ไม่มีเวทนาเวทนาหมายความว่าไม่ใช่เศร้าสลดใจเกับการเห็นใครที่เขา มีความทุกข์ยากแต่หมายความว่าเราไม่มีความรู้สึกชอบอย่างนั้นเหรอคะ เ, เวทนาในความหมายของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้คือคนไทยใช้เวทนาหมายว่าหน้าเวทนาหน้าเศร้าอะไรอ่านี้เห็นเราแบบมันแหมหน้าออสงเพศเวทนาประมาณใ น, น, นในออบัญญัติธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยคำว่าเวทนาหมายความว่าอย่างนี้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งความรู้สึกพุทธเจ้าบอกว่าความรู้สึกคือเวทนากิริยาที่รู้สึกได้มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้น นั่นเรียกว่าเวทนาอันนี้เป็นคําพุทธองค์เลยนะกิริยาที่รู้สึกได้ที่รู้สึกได้มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นเรียกว่าเวทนารู้สึกได้ซึ่งอะไรเล่ารู้สึกได้ซึ่งความสุขบ้างความทุกข์บ้างความไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างนี้คือเวทนาเพราะฉะน้ถามว่าเราทํากิจกรรมอยู่ใช่ไหมขายของอยู่หน้าร้านฟังวิทยุอยู่กับรถอยู่ณขณะนั้นถ้าน้อมจิตไปเพื่อจะรู้สึกอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่ง มีความสุขไม่มีความสุขมีความทุกขหรือว่าไม่ทุกไม่สุขอันนั้นเนี่คือเวทนาค่ะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าถ้าจะทำตามแบบสิ่งที่แบบที่พระพุทธองค์ได้ทรงเห็นว่ า, าในหกสิบสองศาสนาเนี่ยก็ไม่สามารถทําให้คนพ้นไปจากความทุกข์กได้และความทุกที่ท่านเห็นว่าทุกศาสนายัางไขปัญหาไม่ออกเนี่ย มันอยู่ในเวทนาคือมันอยู่ในความรู้สึกชอบไม่ชอบ ช, ชอบก็เป็นความทุกข์ในความหมายของพระพุทธองค์งก็ก็ต้องออกจากสิ่งนี้ให้ได้ถูกต้องต้องเป็นต้องเป็นอิสระจากการที่คนมากระทเนี่ยค่ะก็คงจะต้องให้เทคนิคมันทำได้ใช่ไหมคะในการที่มนุษย์อยู่ในโลกที่มันมีสรรพสิ่งเกิดขึ้นมันมีความเคลื่อนไหวการกระทำโน้นการกระทำนีนรรำน้โดยภายนอกก็มีไอ้ที่ตัวเองทาได้เนี่ยมันยัง ค่อนข้างกำกับเองได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ในสภาพแวดล้อมของเราเยอกตัวอย่างเช่นดูข่าวดูละครยิ่งจะดูละครบางคนบอกเอ๊งั้นไม่ให้พักผอ่อนเลยหรือไง <c oughs> เนี่ยพอดูละครมันก็ต้องมีชอบพระเอกคนนี้แมว น, นี้ไม่ชอบตัวโกคนนี้เลย <c oughs> หรือไม่ชอบทําไมพระเอกต้องทําแบบนี้กับนางเอกด้วยสมมุตินะคะ <c oughs> าาสามารถจะอยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านี้โดยไม่มีเวทนาได้ไหมคะท่าน การประกาศทางมของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่หลาดหลวมเข้มข้นเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยพระพุทธเจ้าต้องให้ทางแก้มาเสม อ, อมีเหตุมีผลมีปัญหามีทางออกอมาด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเฮ้ยปัญหามีอยู่คือเบทธนาความทุกข์ทั้งหมดประชุ ม, มลงที่เบญนาอา้าวแล้วทางออกอยู่ที่ไหนนี่ไงทางออกทางออกอยู่ที่ปลายจมูกมีสติอยู่ในลมหายใจเข้ามีสติอยู่ในลมหายใจออกถามว่ามันช่วยแก้ทุกข์เราได้ยังไงถามว่าทุกวันเนี้ย ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาฟังรายการนี้อยู่เนี่ยสอบได้ก็ดีใจสอบตกก็เสียใจ ค, คนทํางานอยู่พอเจ้านายชมก็ดีใจพอเจ้านายด่าคนรอบข้างด่าก็เสียใจแฟนรายการถกเฉียนจดหมายมาด่าโอ้ยิ่งเสียใจหนะักถามว่าอา้าวแล้วแล้ ว, ลวที่สุดของคําสอนพระพามันเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเรายังดินดียินร้ายอยู่กับคนที่ข้างนอกมาสิ่งมากระทบเนี่ยละความสุขที่สุดอยู่ที่ไหนถูกไหมพระพุทาบอกว่ามีอยู่ สิ่งสิ่งนั้นมีอยู่คือความสุขที่เกิดจากในภายใน น, นี่เป็นขั้นแรกก่อนแทนที่เราจะไปหาความสุขจากข้างนอกใช่คนพูดอต้องให้คนพูดสันเริญเราเราถึงจะมีความสุขไม่จำเป็นความสุขเนี่ยอยู่ข้างในอยู่ในใจให้เข้ายัางไงาเข้าทางปลายสมุกมีสติอย่างนี้อพอเราไม่เขาเรียกว่าไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกเรามามี มีความสุขที่เกิดจากนภายในแล้วเนี่ยก็จะเรียกว่าโอ้แก้ปัญหาไปได้ระดับหนึ่งออย่างนี้ค่ะแต่ว่าหมายความว่าในการที่จะคงจะต้องกลับมาให้เทคนิคในการเสพเพราะว่าเมื่อกี้เกิดเสนอตัวอย่างไปก็คือสมมติถ้าดูสมมติดูหนังดูละครอะไรอย่างนี้ดีกว่าครับท่านก็คือว่าดูแบบศักแต่ว่าดูเองนั่นเลยครับดูให้เป็นธรรมะไงดูให้เป็นธรรมะว่า พระพุทธเจบอกว่าเวลาดูอะไรเนี่ยก็เวลาจะพูดอะไรหรือดูอะไรหรือเห็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเห็นปุ๊บเขาบอกอ๋ออยา่างนี้ อ, อ, อย่างนี้เป็นทุกคือบัญญัติทํามสี่อย่างทุกสมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมอ๋ออย่างนี้อย่างนี้เป็นทุกอ๋ออย่างนี้อย่างนี้เป็นเหตุเกิดทุกอย่างนี้ทํานี้ถูกทําใช้<ม>เป็นเครื่องมือในการพิจารณา ท, ทำไปด้วยน้อมเข้าสู่อริยอริยสัจสี่ก็ได้เข้าท่าดีนะคะทีนี้สมมติดูละครใช่ไหมเพระลงทําอย่างนี้ โอ้เป็นคนมีคุณธรรมดีมากอยู่ในมักแปดเยี่ยมเลยพระเอกนางเอกพูดอย่างนั้นอ้าวคนนี้เป็นไปตามมานาตัญหาโอ้ใช่เป็นสมุทไทยเป็นแขกของทุกโอ้จริงๆๆอย่างนี้<ม>ค่ะไม่ทุกเลยเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรนะน้ําตาลไม่น้ําพึ่งขมอะไรก็จะอยู่กับพวกเขาได้อย่างมีความสุขันดิฉันยกตัวอย่างอย่า ง, างนี้เฉยนะคะท่านฟังจริงๆแล้วเนี่ยเอาไปปรับประยุกต์ใช้ได้กับในทุกขณะของสิ่งที่เราได้ประสบ เอาธรรมะของพระพุทธองค์ไปพิจารณาเข้าท่าดีนะคะก็วันนี้คงจะรบกวนท่านอาจารย์ดับเพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่ายังไงเสียท่านฟังก็ยังมีโอกาสนะคะที่จะได้ฟังการสนทนาธรรมในช่วงถามโลกตอบธรรมกับพระพบูบุ์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไโ้โกจังหวัดอุดรธานีกันได้เป็นประจำนะคะวันนี้นะมรสกการขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะเะเนพ